สระะสูรว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าสระพะข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูดเคกรุงราชครื้่ก็สมัยนั้นสระพะปริพาชกผู้ออกไปจากพระธรรมวินัยนี้ไม่นานเขากล่าวอย่างนี้ในหมู่ชนณกรุงราชครื้อย่างนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะักยะบุตรแล้วก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากพระธรรมวินัยนั้นครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสศกถือบาจีวรเข้าไปยังกรุงราชครึเพื่อบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นได้ยินสรพะปริภาชกกาลังกล่าวอย่างนี้ ในหมู่ชนณนะกรุงราชครืออย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรแล้วเพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นครั้นต่อมาภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบินธบาตในกรุงราชครือกลับจากบินธบาตภายหลังฉันเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรดร้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสระพะปริภาชกผู้ออกไปจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานกล่าวในหมู่ชนณนะกรุงราชครืออย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะศากยะบุตรก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะศักยะบุตรเราจึงออกมาถ้ามิเช่นนั้นแล้ว เราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอารามของปริพาชกณนะริมฝั่งแม่น้ำสับปีนิกาได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาสรพระปริพาชกด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จไปยังอารามปริภาชกณริมฝั่งแม่น้ำสับปินิกาเสด็จเข้าไปหาสารพะปริภาชกถึงที่อยู่แล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ครั้นแล้วได้ตรัสกับสารพะปริภาชกดังนี้ว่าสรพะทราบว่าท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสักยบุตรแล้วก็เพราะรู้ทั่วถึงธรรมของเ่าสมณะสยบุตรเราจึงออกมา ถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่ออกมาจากธรรมวินัยนั้นจริงหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสรพะปริพาชกได้นิ่งเงียบแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าสรพะเราเองบัญญัติทําไว้สําหรับเราสมณะสักยบุตรสรพะ จงกล่าวเถิดท่านรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะสัพยบุตรว่าอย่างไรถ้าความรู้ของท่านยังไม่บริบูรณ์เราจะช่วยทําให้บริบูรณ์แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์เราจะพลอยยินดีด้วยแม้ครั้งที่สสรพะปริพาชกก็ยังนิ่งลําดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับสรพะปริพาชกดังนี้ว่าท่านสรพะ พระสมณะโคดมจะประวารณาพระองค์เองทุกครั้งที่ท่านขอท่านโสระพะจงกล่าวเถิดท่านรู้ทั่วถึงธรรมของเหล่าสมณะศักยะบุตรว่าอย่างไรถ้าความรู้ของท่านยังไม่บริบูรณ์พระสมณะโคดมจะช่วยทําให้บริบูรณ์แต่ถ้าความรู้ของท่านบริบูรณ์พระสมณะโคดมจะพลอยยินดีด้วยเมื่อปริพาชคเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว สรพะบริพาชกนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่สามารถจะโต้อตอบได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทราบว่าสรพปริพาชกนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่สามารถจะโต้อตอบได้จึงได้ตรัสกับปริพาชกเหล่านั้นดังนี้ว่าปริพาชกทั้งหลาย ผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาตนอยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เราพึงไต่ถามซักไซสไล่เหลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซสไล่เหลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือหนึ่ง พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่องสองแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจสามนิ่งเงียบเกอ้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่สามารถจะโต้อตอบได้เหมือนสรพะปริภาชกปริภาชกทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าอาสะวะเหล่านี้ของท่านผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระขีณาสพยังไม่สิ้นไปเลย เราพึ่งไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะไม่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสมอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบ เพ้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่สามารถจะโต้ตอบได้เหมือนสระพะปริภาชกปริภาชกทั้งหลายบคุคคลพึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ใดธรรมที่ท่านแสดงนั้นไม่อำนวนประโยชน์นั้นเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเราพึงไต่ถามซักไซสไลเหลียงผู้นั้นในธรรมนั้นตามหลักเหตุผล เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้นั้นเมื่อถูกเราไต่ถามซักไซสไล่เลียงตามหลักเหตุผลจะเป็่เข้าถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะสามอย่างคือ 1. พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่อง 2. แสดงอาการโกรธขัดเคืองและอาการไม่พอใจ 3. นิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบสา ไม่สามารถจะโต้อตอบได้เหมือนสรภะปริพาชกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรลยสีหนาสามครั้งณนะอารามปริพาชกที่ริมฝั่งแม่น้ำสับปินิกาแล้วทรงเหาะหลีกไปต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จหลีกไปไม่นานปริพาชกพากันใช้ประตักคือวาจาทิ่มแทงสรภะปริพาชกรอบด้านว่า ท่านสรพะสุนักจิ้งจอกแก่ในป่าใหญ่คิดว่าจะร้องเหมือนเสียงราษส์ีแต่ก็ร้องเป็นสุนักจิ้งจอกอยู่นั่นเองร้องไม่ต่างจากสุนักจิ้งจอกเลยแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่านอกจากพระสมณโคดมแล้วเราก็บรรลัยสีหน้าได้กลับบรรเลงได้เหมือนสุนักจิ้งจอกแก่ บันเลอไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกเลยท่านสระพะลูกไก่ตัวเมียคิดว่าจะขันให้ได้เหมือนพ่อไก่กลับขันได้อย่างลูกไก่ตัวเมียเท่านั้นแม้ฉันใดท่านสระะตัวท่านเองก็ฉันนั้นเหมือนกันคิดว่านอกจากพระสมณโคดมแล้วเราก็จะขันเหมือนพ่อไก่ได้กลับขันได้เหมือนลูกไก่ตัวเมียท่านสระะโคผู้เข้าใจว่า ตนร้องได้อย่างลึกซึ้งในโรงโคที่ว่างแม้ฉันใดท่านสรพะตัวท่านเองก็ฉั้นนั้นเหมือนกันเข้าใจว่าตนร้องได้อย่างลึกซึ้งครั้งนั้นปริพาชกเหล่านั้นพากันใช้ปตักคือวาจาทิ่มแทงสรพะปริพาชกรอบด้านสรพะสูตรที่สี่ สปุติสูตรว่าด้วยกาลามะชาวเกสปุตตะนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงตำบลของผู้กาลามะชื่อว่าเ hm กสปุตตะนิคมผู้กาลามะชาวเกสปุตตะนิคมได้ทราบว่าข่าวว่า ท่านพระสมณโคดมสากยะบุตรสเสด็จออกพนวจากสากยะตระกูลสเสด็จถึงเจสปุตตานิคมโดยลำดับแล้วท่านพระสมณโคดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก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 สนทนาปราัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไหว้ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพวกกาลามะชาวเกสปุตตะนิคมผู้นั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมายังเกศปุตตนิคมแสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมิน่นกล่าวข่มวาทะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมายังเกศปุตตะนิคม แสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมินกล่าวข่มวาทะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสงสัยลังเลใจในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าบรรดาท่านสมณพราหมณ์เหล่านี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมชนทั้งหลาย ก็สมควรที่ท่านทั้งหลายจะสงสัยสมควรที่จะลังเลใจท่านทั้งหลายเกิดความสงสัยลังเลใจในฐานะที่ควรสงสัยอย่างแท้จริงมาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ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 ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏบิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทำเหล่านั้นเสียกาลามะทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโลภะความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโลภะนี้ถูกโลภะครอบงำมีจิตถูกโลภะกลุ้มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เท็จบ้าง ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโทสะความคิดประทุษร้ายเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกือกเก้อกูลไม่เคกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโทสะนี้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 กาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สัรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนพระพุทธเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบ ร, บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลามะทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลเราจึงเรีกลาไว้ว่า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 ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกือกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออโทสะความไม่คิดประทุสร้ายเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกือกเก้อกูลเกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีโทสะนี้ ไม่ถูกโทสะครอบงำมีจิตไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ากาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออมโมหะความไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล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 กาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่ไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้สรรเสริญพระพุทธเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขหรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรทมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติปริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลามะทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลเราจึงเล่กล่าวไว้ว่า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 ทำเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นกาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีเมตตาจิต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 แผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูลเหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบขาจิตอนไพับู์เป็นมหคัตไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่กาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้เธอบรรลุความเบาใจสประการในปัจจุบันคือ 1. ถ้าโลกหน้ามีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วมีเป็นไปได้ที่เรื่องนั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือความเบาใจประการที่หนึ่งที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 2. ถ้าโลกหน้าไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีเราก็รักษาตนไม่ให้มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่ให้มีทุกข์ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้นี้คือความเบาใจประการที่สองที่อาริสาวกนั้นบรรลุแล้ว 3. ถ้าบุคคลเมื่อทําบาปก็ชื่อว่าทําบาปเราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆเลยเมื่อเราไม่ทําบาปเลย ความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไรนี้คือความเบาใจประการที่สามที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 4. ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทาบาปเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนในโลกนี้นี้คือความเบาใจประการที่สี่ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้วกาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตรบริสุทธิ์อย่างนี้อริยสาวกนั้นชื่อว่าบรรลุความเบาใจสีประการนี้ในปัจจุบันพวกกาลามะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้พระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้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 ที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 2. อถ้าโลกหน้าไม่มีผลวิบากรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีเราก็รักษาตนไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนไม่ให้มีทุกข์ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้นี้คือความเบาใจประการที่สองที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 3. ถ้าบุคคลเมื่อทาบาปก็ชื่อว่าทาบาป เราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆเลยเมื่อเราไม่ทําบาปเลยความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไรนี้คือความเบาใจประการที่สที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 4. ถ้าบุคคลเมื่อทําบาปก็ชื่อว่าไม่ทําบาปเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนในโลกนี้นี้คือความเบาใจประการที่สที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้พระอริยสาวกนั้นชื่อว่าบรรลุความเบาใจสี่ประการนี้ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโประทรงจำค่าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเกษปุตติสูตรที่หจบ